8. สมุตจยะวาระวาระว่าด้วยการสรุปรวม 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบสรุปรวมอาบัติในปาราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งสองร้อยถามเพราะการเสพเมถุนธรรมเป็นปัจจัยต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบ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 สอดองคชาติเข้าไปในปากที่อ้าแต่ไม่ได้ถูกต้องต้องอาบัตทุกกฎสภิกษุณีต้องอาบักกตออาบปาจิตตีเพราะใช้ท่อนยางเพราะการเสพเมถุนธรรมเป็นปัจจัยต้องอาบัตส่อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไหร่ บรรดากองอาบัติเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัติเท่าไรบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรบรรดาอธิกรณสี่อย่างเป็นอธิกรไหนบรรดาสมถะเจ็อย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่าง จัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศสีรวิบัติออาจาระวิบัตบรรดากองอาบัตเ7็กองจัดเข้ากองอาบัตส4กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตทุนละใจ 3. กองอาบัตปาจิตตีี 4. กองอาบัตทุกกฏ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 สัมสมุขาวิันกับตินนวัตถารกะละเเสขียกันคำถามคำตอบสรุปรวมอาบัตในเสขียกันละ 7. ปาทุกวัวะ ละศิกขาบทที่15ถามเพราะความไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้าลายลงในน้ําเป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัดเท่าไหร่ตอบเพราะความไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ําลายลงในน้ําเป็นปัจจัย ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎเพราะคว่าไม่เอื้อเฟื้อทายอุจจาระปัสสาวะหรือบ่วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัยต้องอาบัตหนึ่งอย่างนี้ถามอาบัตนั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไหร่บรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่ บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรบรรดาอธิกรณ์สี่อย่างเป็นอธิกรณ์ไหนบรรดาสมถะเจดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตนั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัตหนึ่งอย่างคืออาจารวิบัตบรรดากองอาบัตเจ็ดกอง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 ระงับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สัมมุขขาวิไนย 2. ปติญญาตกรณะ 3. สัมมุขขาวิไนยกับตินนวัตถารกะสมุจยะวาระที่แปดจบปัจจยวาระแปดจบโสรสะมหาวาระในมหาวิพังจบ